บุญที่แท้แผ่ความสุขออกไปให้ความงอกงามทั้งแก่ชีวิตของเราและทั่วสังคมข้อที่ขยายเพิ่มขึ้นนั้นอปิจายนไมก็ดีวัยาวัจจะไมก็ดีอยู่ในหมวดศีลคือการที่มีความสุภาพอ่อนโยนนกไหวให้เกียรติ ก, กันและการช่วยเหลือรับใช้บริการ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 เมื่อท่านทำหน้าที่สามอย่างนั้นตัวท่านเองก็เจริญงอบงามในไตรสิกขาด้วยธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เรียนมาก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกว้างขวางออกไปด้วยแล้วเป็นอย่างไรพระศาสนาของเราก็อยู่ได้โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พระหูชนอย่างแท้จริงการที่เรอดทำบุญนี้จึงเป็นการช่วยดำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง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 สังคมที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะยังมีคนพระพฤติปฏิบัติธรรมรู้ธรรมกันอยู่บ้างอย่างน้อยก็ยังพอประคับประคองกันไปเมื่อโยมนึกว่าทานที่เราถวายนี้ให้เกียรพระองค์เดียวนี้มีผลไปถึงพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วสังคมทั้งหมดด้วยเมื่อมองด้วยความเข้าใจอย่างนี้ใจก็ยิ่งปลอดโปร่งกว้างขวางมีปิติอิ่มใจ